คนใหม่ๆนะง่ายนะอย่าไปเสียใจว่าเพิ่งเริ่มต้นคนไม่เคยภาวนาไม่เคยเรียนธรรมะเนี่ยถ้าเปิดใจเรียนง่ายพวกที่รู้มากอยู่แล้วเนี่ยเรียนยากคล้ายเชื้อโลกดื้อยาอยาขนาดนี้ก็ลองแล้วยาขนาดนี้ลองแล้วไม่ได้กินอะขอแค่ไม่ดื้อ น, นะ้น แล้วก็อีกข้อหนึ่งอย่าคิดมากพวกคิดมากสงสัยอยู่นั่นแหละจะทำยังไงจะทำยังไงคิดแต่อย่างเงี้ยในหัวมีแต่ควาว่าจะทำการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทาอะไรนักหนาหรอกโดยเฉพาะในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่การทำแต่เป็นการเห็นกายเห็นใจอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็น ร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนเรารู้อยู่ได้อยู่แล้วเช่นร่างกายหายใจออกเราก็รู้ได้ร่างกายหายใจเข้าเราก็รู้ได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้ได้ร่างกายสบายร่างกายเจ็บป่วยเราก็รู้ได้หรือจิตใจนีจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วจะโลบปลดลงเราก็รู้ได้ตลอดงั้นการที่จะรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก ทุกคนสามารถรู้ได้นะแต่มันละเลยที่จะรู้เพราะว่าไม่รู้ว่าสําคัญอย่างเมื่อวานยกตัวอย่างอยากขับรถเนี่ยคนปาดหน้าเราโกรธเวลาเราโกรธเราก็สนใจคนที่ขับรถปาดหน้าเราเราไม่สนใจว่าจิตกำลังโกรธเวลาเราเจอของสวยของงามเจอคนสวยคนงามใจเราชอบ เราก็มัวแต่ดูของสวยงามดูคนสวยงามเราไม่เห็นว่าใจกําลังชอบถ้าใจก็ดูก็ดูได้ทุกคนล่ะการจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเรื่องธรรมดาธรรมดาําได้ทุกคนแต่ละเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าสําคัญพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้รูปรูปนําอั่นชี้ลงมาอะไรรูปนามนี้คือตัวทุกข์ ถ้ารู้ถูกเมื่อไหร่ก็จะละสมุทยัยเวลาตัณหาได้ละสมุทยัยเมื่อไหร่ก็จะแจ้งนิโรธหร่จแจ้งนิพพานได้แจ้งนิโรธแจ้งนิพพานเมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิดในขณะนั้นนะงั้นเราไม่เคยรู้ว่าสําคัญอาศัยได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะสําคัญมาก จะเป็นทางที่ทําให้เราพ้นทุกข์ได้งั้นมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้แต่ว่ามันละเลยที่จะรู้หลวงปู่ดืนเคยสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยที่ท่านสอนหลวงพ่อการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติมประโยคแรกเลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรสนใจซะหน่อยแต่ว่าอย่าเข้าไปบังคับมัน คนส่วนใหญ่ก็พลาดอีกพอสนใจร่างกายก็บังคับร่างกายเช่นสนใจการหายใจนะก็ไปบังคับการหายใจของตัวเองมันใจมันแน่นๆไปหมดอึดอัดสนใจจะรู้อิริยาบถสี่อย่างอิริยาบถยืนเดินด น, นั่งนอนอิริยาบถเดินเนี้ยแทนที่จะเดินสบายๆนะก็ทําท่าทางให้มันพิลึกพิลึกขึ้นมาให้มันผิดธรรมชาติธรรมดาขห้นมา จะนั่งอยู่ขณะ น, นี้ทุกคนนั่งอยู่เนี่ยแค่รู้สึกว่ารูปนี้มันนั่งอยู่แค่รู้สึกเข้าไปแค่นี้ก็ได้ละแล้วหลวงพ่อบอกเอาทุกคนนั่งสมาธิปฏิบัติเราจะต้องขยับตัววางฟอร์มก่อนนะเนี่ยขยับ <c oughs> ต้อนั่งท่านี้นะเนั่งเฉียงกันด้วยถ้านั่งกัตสมาธี่เฉียงกันอีกนะนิ้วจะอยู่แบบไหนเนี่ย บางพวกว่านิ้วโป้งชนกันพวกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ชนกันอะไรเงี้ยบางคนก็ต้องนั่งท่า น, นี้เพียนเพียนทั้งนั้นแหละท่านสอนบอกว่าพิสูจทั้งหลายเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ไม่ได้บอกว่านั่งท่าไหนเลยนั่งอยู่หลวงพ่อคูณได้ไหมได้ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะทําอย่างอานาปนาสติอะไรเงี้ยจะนั่งกันนานท่านบอกให้คูบันลัง ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าผู้บัลลังกานั่งขัดสมาธิทําไมให้นั่งขัดสมาธิเพระพระไม่มีเก้าอี้จะนั่งถ้านั่งที่พื้นเนี่ยที่จะนั่งได้นานๆน น, นั่งขัดสมาธิแล้นะบวบากเอาทุกคนนั่งพับเพียบนั่งประเดี๋ยวเดียวก็พลิกไปพลิกมายิ่งพวกเรายุคนี้พับเพียบไม่เป็นพับเพียบแล้วตัวก็เอียงๆไปไปมาๆาก็พับไปทั้งตัวเลยน เคล็ดไปหมดงั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กระ บ, บวนท่ารมันอยู่ที่จิตเมื่อจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเปล่าถ้ารู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันเห็นร่างกายทํางานอย่างที่ร่างกายเป็นไหมมันเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงอย่างที่จิตใจเป็นไหมงั้นไม่มีคําว่าทํำยังไงเมื่อเดือนสองเดือนก่อนได้มีเพลาองนึงท่านพอนายเก่งนะองเนี้ย มาถามหลวงพ่อท่านเล่าบอกว่าทุกวันท่านก็คิดว่าจะภาวนาอย่างไงมันก็หาวิธีปฏิบัติพอปฏิบัติไปช่วงหนึ่งนะท่านก็บอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทางก็เลิกหาใหม่หาใหม่ล้วิธีนี้ก็แล้วกันทาไปอีกก็เพราะว่าไม่ใช่อีกท่านบอกว่าเหมือนท่านพยายามขึ้นภูเขาจะขึ้นยอดเขาให้ได้ เดินไปรอบรอบภูเขานะเาลักขึ้นตรงนี้แหละขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็เพราะว่าไม่ใช่ทางขึ้นขึ้นไม่ได้ก็ลงมาเดินต่อไปอีกหาทางขึ้นต่อไปอีกบอกว่าวนรอบภูเขานี้มาหลายรอบแล้วหาทางไม่ได้เลยถามหลวงพ่อนะว่าแล้วทางมันอยู่ตรงไหนนะอาจารย์อกทางไม่มีหรอกพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราทําอะไรน ได้บอให้เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยคือทางที่เราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าทํายังไงใจจะพ้นทุกข์ทํายังไงใจเขาพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเราสั่งใจไม่ได้ใจเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาเขาพ้นของเขาเองมรรคผลนะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งให้มรรคผลเกิดได้เรามีหน้าที่แค่เรียนรู้มันจนปัญญามันเกิด รู้กายอย่างที่กายเป็นปัญญ า, ามันเกิดอ๋อกายนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตารู้ใจอย่างที่ใจมันเป็นโอ้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตานะเฝ้ารู้ของจริงรู้ของจริงมันก็จะรู้ว่าทุกอย่างมันมีขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรพอเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้ล้วล้างสักยทิฏฐิได้ล้างสังโยชน์ตัวแรกได้ สังโยชน์ตัวแรกขาดเนี่ยก็ขาดพร้อมสังโยชน์ตัวที่สองที่สามด้วยเพราะว่าสังโยชน์ตัวแรกขาดปั๊บเนี่ยก็จะหมดสงสัยในพระรัตนตรัยก็ใจตัวเองเลยเป็นพระรัตนตรัยขึ้นมาแล้เข้าถึงธรรมะและนะน้วเรียกว่ามีเข้าถึงใจสรณคมครูบาอาจารย์รุ่นโบราณนยุชั้มนี้เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงใจสรณคมไม่สงสัย ในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมแบบงมงายอย่างที่เคยเป็นแล้วไม่รูปรูปคําคลาแต่เดิมคิดว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีแล้วก็ทำอะไรที่นอกเหนือจากอริยมรรคทำอย่างอื่นยกเว้นอริยมรรคไม่ทำศีล ส, สมาธิปัญญาไม่เอาอริยมรรคมีองค์แปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเอง เราสั่งจิตให้มรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้จิตจะบรรลุของจิตเองเมื่อปัญญาแก่รอบปัญญาจะแก่รอบได้เราก็ต้องพาจิตให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจให้มากเพราะปัญญานั้นคือการรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่จิตใจเราจะสามารถเห็นรูปนามกายใจได้บ่อยๆเราเห็นได้ตรงความเป็นจริงจิตใจต้องมีสมาธิที่ถูกต้อง ถ้าจิตใจสงบอยู่เฉยๆจิตใจจะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามจะรู้สึกรูปนามได้แต่ไม่ดูไตรลักษณ์รู้สึกรูปก็ดูรูปไปเช่นรู้ลมหายใจก็รู้อยู่ที่ลมหายใจไม่รู้อย่างอื่นรู้ท้องผ่องยกก็รู้อยู่ที่ท้องไม่รู้อย่างอื่นเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้ารู้ที่เท้าไม่รู้อย่างอื่นเน่ใจมัไปนิ่งรู้เฉยๆอยู่แค่รู้สึกตัว อย่างบางคนมักง่ายนะบอกว่าหลวงพ่อสอนรู้ตัวเฉยๆก็พอแล้วไม่พอรู้ตัวเฉยๆแค่รู้สึกตัวยังไม่ได้เดินปัญญานรู้สึกตัวได้แล้วต้องเจริญปัญญาคือพาใจที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามในพระใจปิฎกนะท่านก็พูดถึงใจที่ถูกต้องไว้ท่านบอกว่ามีจิตเบาจิตนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงาน แล้วก็ให้น้อมน้อมจิตนี้ไปเพื่ อ, อยานทัศนะเห็นไหเอาจิตที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วเนี่ยน้อมน้อมไปเพื่ อ, อ ย, านะยานทัศนะยานทัศนะทัศนะว่าเห็นนะยานเป็นปัญญามีปัญญาเห็นตรงความเป็นจริงนั่นเองมีปัญญาเห็นกายอย่างที่กายเป็นมีปัญญาเห็นใจอย่างที่ใจเป็นนะเห็นมันเห็นด้วยปัญญานะงั้นถ้าเราเห็นเฉย ไม่เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ยานทัศนะอย่างเราเห็นหมาเห็นแมวนี่ก็เป็นทัศนะเห็นเฉยๆไปทัศนะศึกษาอะไรแต่ถ้ายานทัศนะยานวะ่าปัญญาเห็นอะไรเห็นใจรักของรูปนามงั้นต้องมีสองสิ่งอันหนึ่งจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นกายเห็นใจได้อันที่สองมีปัญญา เห็นความเป็ี่ยนใจลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามย่างเนี้ยถึงจะใช้ได้ในที่สุดปัญญาแท้จริงปัญญาในองค์มรึกก็จะเกิดขึ้นปัญญาที่เราสะสมกันทุกวันนี้ศีลที่เราสะสมกันทุกวันนี้สมาธิที่เราสะสมทุกวันนี้ยังไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาในองค์มรึกเป็นศีลสมาธิปัญญาในเบื้องต้นเพื่อให้อริยมรึกเกิดเท่านั้นเอง นะเวลาที่อริยามรรคเกิดนะันศีลสมาธิปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอัตโนมัติเกิดพร้อมๆกันเลยนี่เราจะมาพัฒนาเครื่องมือนะต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกัตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกตัวแล้วอาศัยสติเนี่ยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะปัญญาก็จะเกิด ถ้ามีสติแล้วจอนิ่งอยู่ที่กายที่ใจปัญญาไม่เกิดนะเพ่งกายเพ่งใจอยู่ปัญญาไม่เกิดงั้นเราจะมาพัฒนาจิตนะให้อยู่กับเนื้อกับตัวพัฒนาสติให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจสติเกิดจากจิตจาสภาวะได้แม่นงั้นเราจะต้องมาหัดรู้สภาวะของรูปนามกายใจบ่อย เริ่มต้นอาะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่หายใจออกสงบหายใจเข้าสงบนะคนละเรื่องกันหายใจออกรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้ายืนอยู่รู้สึกตัวเห็นร่างกายยืนเดินอยู่รู้สึกตัวเห็นร่างกายเดินนั่งก็รู้สึกนะนอนก็รู้สึกว่าร่างกายมันนั่งมันนอนรู้สึกตัว เคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวมีความสุขรู้สึกตัวมีความทุกข์รู้สึกตัวไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกตัวลอบขึ้นมารู้สึกนะบหายไปรู้สึกหัดรู้สึกสภาวะสภาวะที่เราใช้รู้สึกเป็นสภาวะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าอาธิบายไว้สอนไว้ในสติปัฏฐานในสติปัฏฐานมีสติรู้กาย เนืองรู้เวทนาเนืองเนงรู้จิตเนืองเนรู้กายบางอย่างก็เรียกว่ากายในกายรู้เวทนาบางอย่างเรียกว่าเวทนาในเวทนารู้จิตบางอย่างเรียกจิตในจิตเห็นสภาวะรูปนามทำงานไปรู้กระ บ, บวนการทำงานเห็นธรรมในธรรมเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมรู้บางอย่างไม่รู้ทั้งหมดไม่จาเป็นต้องเรียนทั้งหมดเรื่อง <gue> เอาสิ่งที่เราถนัด ถ้าหายใจออกรู้สึกตัวได้หายใจเข้ารู้สึกตัวได้ก็ทํามันแค่นี้แหละไม่ต้องทําอะไรมากรู้สึกตัวบ่อยๆต่อไปเวลามันลืมตัวเองมันเผลอพอเผลอปุ๊บพอโกรธขึ้นมาเงี้ยลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะทันทีที่ลมหายใจเปลี่ยนจังหวะปุ๊บเนี่ยความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองสติมันจะรู้ทันขึ้นมาแล้วก็ใจมันจะตื่นขึ้นมามันตื่นขึ้นมารู้ตัวขึ้นมา ยิ่งต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็หักรู้สภาวะอันนั้นบ่อยๆเมื่อจิต จ, จําสภาวะได้แม่นรูปนามอันนั้นได้แม่นแล้วพอรูปนามอันนั้นเกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองโดยไม่ได้สั่งให้เกิดนี่คือวิธีให้เกิดสติต้องฝึกไม่งั้นสติไม่ไหวหรอกหนะลงก็หลงยาวๆนะแต่ถ้าสติไวเขาหลงแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึก แต่สภาวะที่หลวงพ่อบอกหลงแว บ, บรู้สึกเนี่ยเป็นสภาวะของพระไสกีทาคานะที่ไหลแว บ, บนี่นก็แป๊บไม่นานอนะ่ะรู้สึกละสกีทาคาเนี่ยจะหลงไม่นานแนะ้วแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกนะถ้าต่ำกว่านะั้นโสดาหรือปูทุชนเนี่ยยังหลงยาวหลงยาวอย่างพวกเราถ้าไม่ได้ภาวนานะเราหลงวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับยาวไหมหลงสิบกว่าชั่วโมงนะ บางคนหลับแล้วก็หลงต่อฝันฟุ้งซ่านไปอีกหลงทั้งวันหลงทั้งคืนหลงทั้งตื่นหลงทั้งหลับแต่พอเราได้ธรรมะขั้นที่สองนะไหลายแวบรู้สึกแวบรู้สึกไม่หลงยาวไม่ได้เจตนารู้สึกเลยสติมันเร็วมากสมาธิมันก็ดีขึ้นเนี่ยสมาธิปั่นกลางใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้แต่ถ้าถึงขั้นพระอนาคานี่ใจไม่ค่อยไหลแล้วยัเว้นจะเข้าฌาน หนาคามีเข้าฌานจิตจชอบไหลไปอยู่กับอารมณ์ยังยังมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมานะอันนี้สูงไปหน่อยเอาที่ทําได้เบื้องตน้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะไปดูในสติปัฏฐานนั่นแหละเราทําอะไรแล้วสติเกิดบ่อยอ้นั้นแหละถ้าเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวได้ทั้งวันก็รู้สึกตัวได้แล้ว เพราะทั้งวันก็มีแต่หายใจออกหายใจเข้าถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็ยืนเดินนั่งนอนถ้าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิง่งรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็มีแต่เคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งถ้าสุขก็รู้สึกทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆก็รู้สึกทั้งวันก็รู้สึกเพราะทั้งวันไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆเนี่ยของที่ท่านเลือกให้นะเป็นของที่ ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลาของที่ท่านเลือกมาให้หรอย่างคนขี้มโมโหเนี่ยทั้งวันนะเดี๋ยวก็โกรธเดียเดเด๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็อุ่หงิดลาคาเดี๋ยวก็หายเนี่ยเกิดทั้งวันเลยงั้นอารมณ์ในสติปัฏฐานที่พระเจ้าเลือกมาให้เราฝึกสติเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันถ้าทําอันใดอันหนึ่งแล้วก็คือมีสติทั้งวันได้งั้นไม่ต้องทําทุกอย่าง ไปดูตัวเองถนัดดูกายก็ถูกไปถ้าดูกายก็ไปสังเกตต่อถนัดรู้ลมหายใจหรือรู้อิริยาบถหรือรู้ความเคลื่อนไหวย่อยเรียกสัมปชัญญะบัพเพะเคลื่อนไหวย่อยอย่างเช่นขณะนี้เรานั่งอยู่อิริยาบถใหญ่คือนั่งอิริยาบถย่อยเนี่ยนั่งขยับอย่างเงี้ย น, นั่งพัดไปนี่เป็นอิริยาบถย่อยการเคลื่อนไหวยินในอิริยาบถใหญ่จริง เราฟังเสียงกะรังดูสิจิตไหวไหมจิตไหวไหมบางคนก็จับได้นิดเดียวไหวตอนแป้งตอนที่กระทบตอนที่มันคลาง ง, างังงๆนี่ไม่ไม่รู้สึกบางคนตรงที่เสียงคลางของมันก็ไหว ในเสียงคลางของมันนะก็ยังไหวจิตก็ยังไหวไหวไปเนี่ยถ้าเราดูจิตดูใจนะดูจิตไหวก็ยังได้นะตามองเห็นจิตเ้าไหวหูได้ยินเสียงจิตเ้าไหวจิตไหวทั้งวันถ้าจิตไหวแล้วรู้สึกก็รู้สึกได้ทั้งวันเลยนะง่ายๆแต่จิตไหวดูยากยากกว่ารู้สึกร่างกายหายใจอี้ดูง่ายนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเพื่อฝึกสติ ถัดจากนั้นก็ฝึกอย่างหนึ่งคือฝึกสมาธิเราบอกแล้วว่าต้องมีสติไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะมีใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นคือใจมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิไม่ใช่ของยากอะไรสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงอยู่แล้วแต่จิตดวงใดประกอบด้วยโมหะหลงไม่มีสติ เมื่อไรไม่มีสติสมาธิที่ประกอบขึ้นมาก็เป็นมิจฉาสมาธิไปงั้นนั่งสมาธิแล้วก็ขาดสติเห็นโน่นเห็นนี่นีนน้มิจฉาสมาธิถ้ามีสติอยู่ก็เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแยกได้สองส่วนส่วนหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะเช่นเราอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับพุทธโธอยู่กับท้องพองยุบจิตมีความสุขอยู่กับลมหายใจ จิตมีความสุขกับพุทธโธจิตมีความสุขอยู่กับท้องพองยกเนี่ยจิตไม่หนีไปที่อื่นอย่างนี้เราได้สมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิที่ดีอย่างแรกเรียกว่าอารามณูปนิชฌานเวลาเราเหนื่อยเนื่อยขึ้นมาเราก็มาพักอยู่ในอารมณแดนหนึ่งทํางานทางโลกมาเหนื่อยเนื่อยเราก็พักได้หรือเวลาเราจะไปคุยกับลูกค้าเนี่ยกำลังนั่งรถไปเดินทางไปคุยกับลูกค้าหรือลูกค้ากําลังขึ้นตึกมาขึ้นลิฟต์มา มีเวลานิดหนึ่งเนะี่ยเราก็ทําใจให้ได้พักผ่อนะหายใจไปสบายๆรู้สึกตัวไปก็ได้หรือทํากรรมฐานอะไรของเราสักอย่างให้ใจแนบอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขพอจิตใจแนบอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขยิต จ, จะสงบนะมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นจิตดวงนั้นก็ไม่ถูกกิเลสหยาบหยับครอบงำํำนจะ่ถูกกิเลสที่ละเอียดเข้าไปอีกครอบงำคือถูกความพอใจในความสงบครอบงา แต่กิเลสหยาบๆยา บ, ยา บ, ยาบกามาคุณอารมณ์ทั้งหลายในรนี้หนะยาบหยาบเนี่ยครอบงาไม่ได้หลวงพุทธเทศเคยสอนอุบายแม่อันหนึ่งบอกเวลาใจมันฟุง้งซ่านมากแล้วเราไม่มีเวลาทำความสงบยาวๆนะถ้าเาหายใจเข้าไปให้เต็มที่หายใจเข้าไปแล้วกลั้นใจลับตาสะกลั้นใจแล้วก็จับเอาความรู้สึกไปจับที่ความรู้สึกนิ่ง มันจะรู้สึกนิ่งๆขึ้นมจับอยู่ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็หายใจไปให้ใจทรงอยู่กับความรู้สึกนิ่งๆอย่างนี้สมมตวเรามีเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยลูกค้ากําลังจะเปิดประตูห้องเราเข้ามาคุยกับเราเงี้ยเปิดประตูสํานักงานเราเห็นเดินมาละเนี่ยเรากั้นใจปุ๊บใจเราสงบสบายนะหายเหน็ดเหนื่อยมีแรงได้พักหนึ่งอันนี้เป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนนะ อยู่กับโลกทําเป็นก็ดีอย่างเวลารถติดไฟแดงเราเหนื่อยแนละ้วกลับบ้านขับรถไปเหนื่อยๆกลั้นใจเวิบนะสบายจนกระทั่งรถขับหลังมาบีบแต่ไล่นะเฮ้ยตื่นได้แล้วนะอันนี้นานไปหน่อยก็ <c oughs> ให้ทําอึดใจเดียวนะนั่งแล้วมันหมดแรงหลับไปเลยก็มีนะมีอยู่บางคนอนะ่ะข้างหลังกดแต่ไล่เขาไม่ไปนะหลับพวกเรานี่แหละหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วว่าใคร มีหน้ามาเล่าให้หลวงพ่อฟังอีกเขาขกดใจไล่ไม่ไปในสุดตำรวจมามาคว้าประตูเขาคิดว่าช็อกตายหรือเปล่าอะไรนี้นะปอากว่ามันหลับดีว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ไล่ให้ตื่นแล้วก็ไปงั้นเวลารถติดถ้าเราขับเองเราก็อย่าไปทำแบบนี้นะถ้าเวลาเหนื่อยเนือ่อยเาทำปุ๊บหลับไปเลยไม่ดี สมาธิจริงๆไม่ใช่เรื่องยากที่จะให้ใจสงบรู้จักใจของตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกขลดไม่เป็นไปแบบขัดศีลขัดธรรมอย่างด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี้ยไม่ได้สมาธิที่ดีนะมีสมาธิในการด่าด่าได้แข็งแรงชา้ายันเย็นได้อะไรเงี้นะแต่ว่าใจไม่สงบ ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะไม่ผิดศีลผิดธรรมง่ายๆเลยอย่างบางคนนะีบางคนรักพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็สงบจิตใจก็มีความสุขบางคนพิจารณาธรรมะสักข้อหนึ่งจิตใจก็สุขก็สงบนะอย่าพิจารณาเยอะนะั้นบางคนติดการพิจารณาธรรมะกลายเป็นฟุงรร้งซ่านหรือบางคนก็คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระสาวกนะ คิดถึงพระโมกขาลาสาลีบุตรอะไรเงี้ยคิดถึงพระอนอนอะไรเงี้ยจิตใจมีความสุขคิดถึงหลวงปู่ดูนหลวงปู่มั่นอะไรเงี้ยจิตใจมีความสุขแล้วก็คิดถึงท่านใจเราก็มีความสุขใจก็สงบถ้าเรารู้จักทำทานเราให้ทานนะแล้วเราก็แช่มชื่นใจถ้าให้เอาหน้าเนี่ยจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราให้ด้วยใจที่อ่อนโยนจริงๆนะใจที่เมตตาจริงๆกรุณาจริงๆ เวลาเราให้ไปแล้วเรากลับมานึกถึงนะใจมีความสุขใจก็สงบได้หรือเรารักษาศีลต่อเนื่องเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนอาจจะรักษาได้ดีหนึ่งข้อยังไม่ค่อยดีอีกสข้อหรือรักษาได้ดีสข้อยังไม่ดีอยู่ข้อหนึ่งอะไรก็ได้นะยิ่งรักษาได้มากยิ่งดีพอเรารักษามาได้เป็นเดือนเดือนแล้วเนี่ยพอเรานึกถึงว่าเราได้ถือศีลใจจะสงบมีความสุขขึ้นมา บาคนก็พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใจก็สงบคิดถึงลมหายใจคนรู้ลมหายใจใจิตใจมีความสุขจิตใจก็สงบนั้นเคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดสงบนะก็คือรู้จักเรื่องอารมณ์ที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขพอจิตใจอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตจะไม่หนีไปที่อื่นสมาธิอีกอย่างหนึ่งนะจใจตั้งมั่นเมื่อกี้สมาธิสงบ จิตเป็นหนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิอย่างที่สองที่เป็นสมาธิที่ดีชนิดที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชฌาใจตั้งมั่นเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งคือเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้แสดงถ้าเป็นผู้แสดงเดี๋ยวก็มีบทรักบทโกรธมีหลายอย่างนี่เป็นผู้ดูเฉยๆพิจิตตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์นั้นนับไม่ท้วนอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งเราจะเห็นอารมณ์รูปนามเนี่ยเกิดดับไปใจเป็นคนดูอย่างนี้ วิธีที่ให้ได้สมาธิชนิดที่ใจเป็นคนดูนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ต้องรู้หลักนิดเดียวง่ายๆสมาธิที่ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ตรงข้ามกับใจที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจของเราถ้าเมื่อไหร่หลงไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนั้นก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนั้นเป็นไปด้วยอํานาจของความฟุ้งซ่าน เป็นโมหะอย่างหนึ่งฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไร่เรามีสติรู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านโมหะจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติมันนั้นไม่มีกิเลสงั้นเราทำกรรมฐานเพราะเราสักอย่างหนึ่งนะอย่างแต่เดิมเราพุโทโธแล้วมีความสุขใจเราอยู่กับพุโทโธเนี่ยเราได้ความสงบคราวนี้พุโทโธอย่างเดิมแหละแต่ไม่ใช่พุโทโธให้ใจสงบอยู่กับพุโทโธ เปลี่ยนใหม่มาพุโทโธแล้วค่อยรู้ทันใจที่ไม่สงบ <traveled group> กับข้างกันนะไม่ใช่น้อมใจให้สงบอยู่กับพุโทโธน้อมใจให้สงบอยู่กับลมหายใจแต่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วรู้ทันใจที่ไม่สงบเช่นเราพุโทโธพุโทโธห น, นีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจอยู่หนีไปที่อื่นแล้วรู้ทันหรือจิตไหลไปจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปที่ลมหายใจ ให้รู้ทันทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจะเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นหรือจะเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องที่เท้าที่มือทันทีที่รู้ว่าเคลื่อนการเคลื่อนจะดับอัตโนมัตินะเพราะสติเกิดขึ้นแล้วรู้ทันนะสติเป็นตัวรู้ทันเพราะสติรู้ทันการเคลื่อนของจิตการเคลื่อนนั้นจะดับนะเพราะว่าอะไรการเคลื่อนนั้นเป็นโมหะนะเป็นความฟรรุ้งซ่านสติรู้เมื่อไหร่มันดับทันที จิตก็จะไม่เคลื่อนจิตจะไม่ใช่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเมื่อจิตไม่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอันหนึ่งมันก็ต้องเป็นอีกอันหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้กับจิตที่เป็นผู้คิดมันก็จิตด้วยกันนั่นแหละมันเหมือนเหรียญด้านหัวด้านก้อยเท่านั้นเองถ้าไม่เป็นหัวก็เป็นก้อยเหรียญตั้งตรงกลางไม่ค่อยมีหรอกนะ เพรานั้นกรรมฐานอย่างเดิมนะเช่นหายใจเวลามีความสุขแล้วก็สงบอยู่กับล ม, มก็เปลี่ยนนิดเดียวหายใจไปแล้วรู้ทันจิตเคล็ดอยู่ตรงนี้แหละทํากรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตจิตไหลเมื่อไหร่รู้ทันจิตไหลเมื่อไหร่รู้ทันไห ล, ไ, หลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งรู้ทันจิตจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาละ นะจิตนี้พร้อมต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะเนี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนวิธีโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนนะวันนี้เราสอนหลวงพ่อสอนมาถึงวนะ่มีจิตที่พร้อมแล้วจิตเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบกิกบานนี่พอเรามีจิตอย่างนี้ไปเดินปัญญาดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์แล้วเนี่ย ช่วงไหนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็กลับมาทําสมาธิชนิดสงบให้จิตสงบอยู่คืออารมณ์ที่ดีมีความสุขจิตก็มีแรงพอจิตมีแรงแล้วก็ปรับจิตที่มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่นะแล้วก็ไปเดินปัญญาอีกมันจะปรับเพราะมันเองเพราะมันมีกําลังผู้จิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาใหม่เพราะมันเคยชินจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาล้นี่เป็นเรื่องของสมาธินะเรื่องของสมาธิต้องเรียน เรียว่าจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวได้ความสงบจิตเป็นผู้รู้อารมณ์นะก็ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเห็นเรียนเรื่องจิตแล้วได้สมาธิที่ถูกต้องสองแบบแล้วก็ถ้าจิตหลงไปไหลไปก็ได้มิจฉาสมาธินะเพราะฉะนันการเรียนเรื่องจิตนี้ทำให้เราเข้าใจเรื่องสมาธิพอนะเราเข้าใจสมาธิมีสมาธิถูกต้องแล้วไปเดินปัญญา เอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะนิมนต์ทุ่ง